เสียงอ่านหนังสือเจ็ดวิธีตายอย่างสบายใจงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉวิธีที่หนึ่งเข้าใจให้ชัดว่า ความสบายใจเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้มีเวลามากมายเหลือเฟื่อในชีวิตที่มนุษย์จะฝึกทำความสบายใจก็ยากนักที่เราจะเห็นใครเก่งพอจะบรรลุการฝึกยากนักที่เราจะเห็นใครสามารถทาใจให้สบายได้ตามต้องการซึ่งนั่นก็หมายความว่า ขณะจวนอยู่จวนไปใกล้ตายเต็มทนเวลาเพียงน้อยนิดย่อมไม่พอสำหรับการทำใจให้สบายได้ทันการเป็นแน่ความสบายใจไม่ได้เกิดจากการแกล้งทำเนื้อทำตัวให้สบายความสบายใจไม่ได้เกิดจากอำนาจสั่งการของใครแท้ที่จริงแล้ว ความสบายใจเกิดจากการไม่มีเรื่องให้ห่วงแต่ปัญหาคือชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยเรื่องหน้าห่วงโดยเฉพาะในยามใกล้ตายไหนใจะญาติมิตรและสมบัติข้างหลังไหนจะหวังให้ชีวิตยืดยาวต่อไปข้างหน้าเมื่อมองออกเช่นนั้นก็จะเข้าใจว่าวิธีง่ายๆที่จะหายห่วงก็คือ แยกให้ออกว่าเรื่องหน้าห่วงกับอาการเป็นห่วงมิใช่สิ่งเดียวกันเป็นต่างหากจากกันแม้ยังมีเรื่องหน้าห่วงก็ไม่จําเป็นต้องไปห่วงมันโดยเฉพาะขณะกำลังหน้าสิวหน้าขวานต้องการความสบายใจเป็นที่หนึ่ง คุณต้องตระหนักในโทษของอาการห่วงให้ดีว่ามันทำเอาเราไม่สบายใจไปเปล่าเปล่าการตระหนักจะทำให้เกิดความฉลาดเลือกและแน่นอนว่าจิตที่ฉลาดย่อมเลือกความสบายใจมากกว่าอาการห่วงกังวลอาจฟังง่ายเหมือนเอากำปั้นทุบดินแต่ก็ได้ผลจริงคือดินยุบลงไปจริงๆ ที่ผ่านมาจิตของคุณมัวแต่พุ่งออกไปจดจอ่อกับบุคคลหรือวัตถุนอกตัวอันเป็นที่ตั้งของความกังวลซึ่งก็เท่ากับเลือกรักษาอาการกังวลเอาไว้ทีเนี้ยถ้าหวนย้อนกลับเข้ามาข้างในเห็นความกังวลเป็นของแปลกปลอมที่เข้ามารบกวนความสบายใจพอเห็นบ่อยเข้า ใจคุณก็ถอนตัวออกมาจากอาการกังวลได้เองเพราะไม่มีใจใครอยากยึดอยากหวงของเสียๆอยู่แล้วลองดูแลจะรู้กล่าวโดยสรุปย่นย่อคือมองให้เห็นตัวความกังวลในใจเห็นเป็นของแปลกปลอมรบกวนจิตเห็นโทษของมันแล้วมันจะหายไปเอง เมื่อใดความกังวลหายไปเมื่อนั้นความสบายใจก็ปรากฏว่ามีอยู่แล้วโดยเดิมตามธรรมชาติ